พี่ชายคนหนึ่งนะอายุก็ห0สิบแล้วเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกรกนะเป็นช่างทาสีก็ทำมาหลายปีนะจนกระทั่งอายุหกสิบแล้ววันหนึ่งก็พ่อตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งปอดหมอบอกว่าอยู่ในระยะท้ายแล้วแล้วคงจะอยู่ได้ไม่เกินเก้าเดือนชายคนนี้เนี่ยแกก็รู้ว่าเนี่ยมะเร็งระยะนี่ม คงจะเยียวยารักษาอะไรไม่ได้แล้วขึนไปรักษาก็สิ้นเปลืองเงินมากมายโดยเฉพาะในอเมริกานะซึ่งค่ารักษาพยาบาลแพงมากจะคิดว่าเนี่ยก็คงจะตายนะทําใจยอมรับความตายได้แต่ว่าเมื่อจะตายทั้งทีขอไปตายที่บ้านดีกว่าหมายถึงบ้านเกิดนะจากบ้านเกิดมานาน ก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายนะที่แผ่นดินเกิดนะก็คือประเทศกรีกบ้านเกิดงชายันนี้นี่ก็เป็นทะเลเป็นเกาะนะแกก็ทิ้งลูกนะกลับไปบ้านเกิดที่เกาะแห่งเนี้โดยมีภรรยาตามไปด้วยนะไปถึงนั่นก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ แล้วก็นอนสมนะสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงพ่อการก็ลุกลามไปเรื่อยๆก็มีพ่อแม่นะที่กับภรรยานี่ที่ช่วยดูแลอยู่หลังจากที่ป่วยหลายวันนะวันหนึ่งแกก็คิดว่าเนี่ยอยากจะไปโบทที่คุ้นเคยสมัยเด็กๆนะการที่ได้ไปโบสได้ไปภาวนา ได้ไปอยู่ใกล้ชิดพระเจ้านะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำในวาระสุดท้ายก็เรียกว่าต้องใช้เรียวใช้แรงมากเลยนะกว่าจะไปถึงโบสถ์เพราะว่าโบสถ์นี่อยู่บนเนินเขาได้ไปสวดมนต์ได้ไปยอ้อนระลึกถึงวัยเด็กก็รู้สึกดีขึ้นนะ แล้วก็บังเอิญได้เจอเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กยังยังหนุ่มพอเขารู้ว่าเนี่ยชายคนนี้กลับมาที่บ้านเกิดนะเพื่อนเอนก็ชักชวนกันไปเยี่ยมเขาที่บ้านบางคนก็นะไปคุยยาวเลยคนเล่าคนเล่าไปเยี่ยม พูดคุยกันสวนเสีย ห, หากันเขาก็มีความสุขนะมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนเก่ามันไม่เหมือนที่อเมริกานะที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าที่กรีกนี่นะโอ้มีเพื่อนมาเยี่ยมมาไต่ถามทุกสุขมาพูดมาคุยบางทีก็เอาไวายมาให้ชิมจิตใจก็เริ่มเบิกบานมากขึ้นหลายวันผ่านไปนะเริ่มมีเรื่อ ม, มีแรง ก็ออกไปที่สวนหลังบ้านได้สัมผัสกับแสงแดดได้กลิ่นดินกลิ่นลมทะเลก็รู้สึกว่ามีเร็วมีแรงมากขึ้นะตอนหลังเนี่ยทุกวันเลยนะก็จะออกไปที่หลังบ้านไปรับแดดไปรับลมไปรับอากาศบริสุทธิ์ตอนหลังเนี่ย ไม่ได้ทำแค่นั้นนะคิดว่าเราพอมีแรงแล้วก็เริ่มทำสวนนะทำสวนเล็กๆขุดดินถางหญ้าปลูกต้นไม้ไม้ผลนะมันฝรั่งแครอทใจจริงก็ไม่ได้คิดว่าจะได้กินหรอกเพราะว่ามันจะตายเมื่อไหร่แต่ทำให้เพื่อคนข้างหลังนะโดยเพาะภรรยาจะได้ ผลไม้ได้พืชผักนะไปทำอาหารพอทำไปทำไปํำทุกวันนะก็เริ่มีกำลังวังชาหลายเดือนผ่านไปนะจากเทิมเดิมนที่คอยนอนสมไอโคล ก, กทั้งวันเนี่ยก็เริ่มทำงานได้ตอนหลังนี่ก็ขยายพื้นที่สวนนะจากสวนเล็กๆ แปลงเ ล, เล็กก็ขยายโอก็ต้องหักร่างถังพงันหน้าดูเลยเพราะว่าพื้นที่มันปล่อยให้วัชพืชขึ้นมานานแล้วก็เหนื่อยนะแต่ว่าทำแล้วมีความสุขโอตอนหลังนี่ก็จากพื้นที่สวนเนี่ยไม่กี่ไม่กี่งานนะมันก็ขยายเป็นไร่เลยนะตอนหลังก็เลยปลูกองุ่นนะทำไวน์เป็นหลายสิบไร่เลย เราทุกวันก็ใช้กิจวัตรอย่างเงี้ยนะตื่นขึ้นมาแต่เช้านะไปทำสวนรับแดดนะรับอากาศบริสุทธิ์ทำงานจนบ่ายแล้วก็ค่อยพักตอนหลังสวนนี่มันก็มีผลิตผลนะได้ผลมากขึ้นเรื่อยๆนะอาหารก็เลยได้กินอาหารที่ตัวเองปลูกนะแล้วก็ได้ กินอาหารนะที่มันเป็นอาหารอินทรีย์เพราะว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีปลูกมากับมือนะมันฝรั่งแครอทหรือว่าผักต่างๆสุขภาพก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆถึงวันแล้วที่ก็ไปโบสแล้วก็ทุกวันก็มีเพื่อนมาเยี่ยมมาพูดมาคุยมาสังสรรค์ ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆสุขกายด้วยสุขใจด้วยเพราะว่าผ่านไปหลายปีนะก็ยังไม่ตายนะผ่านไปหลายปียังไม่ตายสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปยี่สกว่าปีนะยี่ส้าปีเนี่ยเขากลับไปอเมริกาด้วย สุขภาพที่แข็งแรงจะไปหาหมอนะที่เคยรักษาเขาเพื่อที่จะบอกว่าหมอผมยังไม่ตายนะบอกว่าหมอที่รักษาเขาวินิจฉัยเขาเนี่ยนะตายกันหมดเลยแต่เขาซึ่งเป็นผู้ป่วยก็ยังอยู่นะเมกว่าเขาจะตายนี่ก็อายุร้อยสองปีนะหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน9เดือนเนี่ยพรว่า อยู่ได้ถึง42ปีนะแล้วก็ไม่เลยตายเพราะมะเร็งด้วยนะตายเพราะโรคาราเรื่องราวของชายคนนี้ก็น่าสนใจนะทั้งที่หมอเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน9เดือนแต่เขาก็อยู่ได้40ปีนะมะเร็งมันหายไปเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าสุขภาพกายสุขภาพใจมันดีขึ้น ก็มีคนบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยสุขภาพกายจะดีขึ้นได้เนี่ยเพราะมีขึ้นอยู่กับอาหารอารมณ์นะแล้วก็ออกกําลังกายรวมทั้งอากาศด้วยวเขาก็ไม่ค่อยรู้สูตเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำในกิจวัตรเนี่ยเมื่อกลับไปบ้านเกิดเนี่ยมันก็เข้าสูตนี่เย น, นะอาหารอากาศออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์ อารมณ์นี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการก็เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งเกิดจากการที่ได้ไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนมันอบอุ่นและที่สำคัญก็คือเขายอมนะยอมตายพร้อมที่จะรับความตายไม่หวาดกลัวไม่ตื่นตระหนกมันก็เลยทำให้สุขภาพก็ดีขึ้นทั้งกายแล้วก็ใจ ใจมีส่วนสำคัญมากเลยนะเริ่มต้นจากใจที่ฉุดกายให้มันดีขึ้นก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะหายจากมะเร็งได้เพราะอาหารอากาศอารมณ์แล้วก็ออกกำลังกายนะแต่ว่าสำหรับชายคนนี้นี่สี่ยาณนี้ก็มีอิทธิพลมากทีเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะคนป่วยนะคนที่ไม่ป่วยนี่ก็สิ่งนี้ก็สำคัญนะนั้นก็เป็นแงคิดที่ดีนะ สำหรับคนในยุคนี้ซึ่งเริ่มจะขาดนะอากาศก็ไม่บริสุทธิ์นะกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกอาหารก็เป็นสารเคมีแถมจิตใจก็เครียดอารมณ์ขุ่นมัวเนะ่วเรื่องราวของชายคนนี้นี่มันก็ให้ง่ายคิดแล้วก็ให้กลังใจนะเดี๋ยวว่ากับคนที่กำลังป่วยอย่างน้อยนี่มันก็ให้ได้พวกความสุขใจนะจากการที่ได้ใกล้ชิดศาสนา หรือว่าได้มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นมิตรสหายที่เกื้อกูลและถ้าหากว่าออกกำลังกายบ้างมีอาหารที่ถูกสุลักษณะได้กบบารบริสุทธิก็ยิ่งช่วยเข้าไปอาง